ปาราชิกสิกขาบทที่สาถามเพราะความจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะความจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตเป็นปัจจัยต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งขุดหลุมพรางไว้เจาะจงมนุษย์ว่าบุคคลชื่อนี้จะตกลงไปตาย ต้องอาบัตทุกกฏสองเมื่อบุคคลชื่อนั้นตกไปได้รับทุกขเวทนาต้องอาบัตทุลจใจสามเขาตายต้องอาบัตปาราชิกเพราะความจงใจพระกายมนุษย์จากชีวิตเป็นปัจจัยต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้